ในธรรมในเบื้องต้นได้แสดงอธิบายพระพุทธเจ้าทรงสอนกรรมฐานตามในยะที่มีแสดงไว้ ในทเวทาวิตรสัสกสรและเมื่อพระองค์ได้ทรงแสดงถึงการปฏิบัติกรรมฐ า, านของพระองค์เองเมื่อยังทรงเป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่ได้ตรัสรู้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 ก็คือทรงพิจารณากำหนดวิตกคือความฝึกนึกคิดนี้เองให้รู้ว่าความฝึกนึกคิดที่บังเกิดขึ้นในพระหัตไทยแห่งพระองค์นั้น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 กำหนดพิจารณาเห็นขึ้นอีกขั้นหนึ่งว่าแม้จะเป็นกุศลนวิตกแต่เมื่อปลกนึกคิดนานเกินไปตายก็จะเหน็ดเหนื่อย จิตก็จะพุ้งสั่างไม่เป็นสมาธิขึ้นได้จึงได้ทรงละวิตกคือความฝึกนึกคิดแม้ที่เป็นกุศลนั้นตั้งจิตให้สงบอยู่ในภายใน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 เมื่อได้จรัสสอนวิธีปฏิบัติกรรมาฐานมาถึงขั้นนี้ว่าพระองค์ทรงปฏิบัติได้และพระองค์ได้ทรงปฏิบัติสงบแม้ที่เป็นกุศลนวิตตตั้งจิตให้กำหนด อยู่ในภายในดังกล่าวสถาบัที่ของพระองค์จึงมังเกิดขึ้นมากขึ้นแนบแน่นขึ้นจึงทรงบรรลุถึง ทานคือสมาธิที่แนบแน่นเข้าขันชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองชั้นที่สามชั้นที่สี่จ้นทรงมีจิตที่บริสุทธิ์ ขาวคือสะอาดของแผ้วอ่อนควรจกการงานจึงทรงน้อมจิตไปเพื่อรู้ก็ทรงได้พยานสามอบเคนิวาสานุสสติญาณ ความรู้ระลึกถึงขันเป็นที่อาศัยอยู่ในปางก่อนได้จุดตูวอุปปาจยานความอย่างรู้จุติคือความเคลื่อนอุปบัติคือความเข้าถึงธาตนั้นนั้นของสัตว์ทั้งหลายว่าเป็นเหตามกรรมและอาสวัคายชยานความรู้เป็นเหตุขิ้นอาสวะ กัตสุอริยสัตสี 4. จึงทรงสิ้นชาติสิน้นภพและมีพระยาอย่างรู้ว่าชาติสิ้นแล้วเสร็จกิจที่จะพึงกระทำเหมือนอย่างนี้แล้วไม่มีกิจอื่นที่จะพึงกระทำเพื่อเป็น อย่างนี้ต่อไปอีกดังนี้คือเราจะรู้ถ้าสมมาสมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ได้ทรงเล่าถึงปฏิปัฐาที่ทรงปฏิบัติมาเองโดยความย่อดังนี้ และในตอนท้ายของพระสูตรได้ทรงแสดงธรรมะสั่งสอนมีอุปมาสาธกธรรมโดยที่ได้จัดอุปมาไว้ ว่าเหมือนอย่างว่ามีที่ลุ่มน้ำมากไปด้วยโคลนตมและมีหมู่เนื้อใหญ่อาศัยอยู่ได้มีบรุษที่บุกร้ายได้ เปิดทางให้เนื้อออกมาอันเป็นทางทำลายและใช้เนื้อต่อตัวผู้เนื้อต่อตัวเมียสำหรับที่จะล่อมู่เนื้อใหญ่ ให้ออกมาจากที่อาศัยมาตามทางที่ต้องการจากทําลายเนื้อปลายปูงเนื้อใหญ่ก็ถูกล่อออกมาโดยเนื้อต่อตัวผู้และเนื้อต่อตัวเมีย มาตามทางที่ทางเปิดที่พรันในพรันเปิดให้ออกนั้นจึงถูกทำลายให้ลดน้อยลงไปโดยลำดับแต่ก็ได้มีบรุษภูมิมุ่งดี ไ, ได้เปิดทางอันเกษมสำหรับให้เนื้อ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 สรงที่ว่าที่ลุ่มน้ำอันมีเปลือกตมเป็นอันมากนั้นก็ได้แก่กามะคุณอารมณ์คืออารมณ์ที่ประกอบด้วยการะคุณ อันได้แก่ลุกเสียงกลิ่นรถผลผลสิ่งถูกต้องที่น่ารักใจปราทันาพอใจทั้งหลายเทียบกับที่ลุ่มน้ำอันประกอบด้วยเปลือกต้มเป็นอันมากฝูงเนื้อใหญ่ที่อาศัยอยู่ในที่ลุ่มน้ำนั้น ก็ได้แก่มูสัตว์คือมูชนเป็นอันมากในโลกนี้และมุษภู ม, มุ่งร้ายคือพรานที่ต้องการทำลายเนื้อก็ได้แก่มนันผู้มุ่งร้าย เนื้อต่อตัวผู้ก็ได้แก่นั้นทีราคะความติดใจกำหนัดยินดีโดยอำนาจของความเพลิดเพลินในกาะคุณารมนั้น เนื้อต่อตัวเมียก็ได้แก่ก็ได้แก่อวิชชาคือความไม่รู้ในจัดจะธรรมธรรมะที่เป็นตัวความจริงหนทางที่ผิดซึ่งในการต้องการให้เนื้อออกมาเพื่อทำรลายนั้นก็ได้แก่วิชามก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 เลี้ยงชีวิตผิดมิจฉาวายามะเพียนพยายามผิดมิจฉาสติรรลึกผิดมิจฉาสมาธิตั้งใจผิดส่วนบุรุษภูมมุ่งดีซึ่งเปิดทางอันเกษมสำหรับช่วยเนื้อ หมู่ใหญ่ทั้งหลายก็คือตถาคตก็คือเจสัมมาสัมพุทธเจ้าและขนทางอันเสมที่บุตรภูมุ่งดีเปิดให้มู่เนื้อออกมานี้ก็ได้แก่สัมมามัก คือทางอันชอบมีองค์แปดอันได้แก่สัมมาทิฏฐิความเขินชอบสัมมาสังกัปปะความดังิีชอบสัมมาวาจาเจรจาชอบสัมมากรรมกาศการงานชอบสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบสัมมาวายามะเพียรพยายามชอบสัมมาสติระลึกชอบ สมาสมาธีตั้งใจชอบดังนี้พราะฉะนั้นจึงได้ทรงสั่งสอนแนะนำให้ผู้มุ่งปฏิบัติธรรมะทั้งหลายได้ตั้งใจปฏิบัติตามที่ทรงสั่งสอนดำเนินในสัมมามัก คือทางถูกชอบที่ได้ส่งแสดงไว้เพื่อประสบความสุขสวัสดีดังนี้เพราะฉะนั้นนิทานสาธกธรรมที่ส่งแสดงนี้จึงเป็นข้อเตือนใจผู้มุ่งปฏิบัติธรรมทุกๆคนให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 มีที่อยู่อาศัยโดยมากก็คือกามะคุณอารมณ์ในโลกหรือที่เรียกกันว่าโลกก็คือกามะคุณอารมณ์รูปเสียงส็นรถผลตพชินานกรใครปราธนาพอใจทั้งหลาย มีนันทิราคะคือความจิตใจยินดีเพลิดเพลินอยู่ในโลกก็คืออยู่ในการมคุณอารมณ์อาศัยอวิชชาคือความไม่รู้ในสัจจะที่เป็นตัวความจิงว่า นั่นเป็นตัวทุกข์เป็นตัวเหตุเกิดทุกข์พราะนั่นนั่นที่ราคะความติดใจยินดีเพลิดเพลิ น, นอยู่ในโลกหรือในกาลมคุณอนด์ทั้งหลายจึงเท่ากับเป็นนกเนื้อต่อ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 อันประกอบด้วยเปิดตมและดำเนินไปในทางที่ผิดอันเป็นวิถามัตนเพราะฉะนั้นจึงเป็นการดำเนินไปในทุกขสมุทยัยเหตุให้เกิดทุกจึงต้องประสบความทุกข์ต่างๆไม่พ้นทุกไปได้ต่อเมื่อได้มากำหนูจัก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 ซึ่งล่อจิตใจอันนี้ให้ติดให้เพลิดเพลิน อ, อยู่ในห่วงของความทุกต่างๆไม่ให้สลัดออกได้และให้ดำเนินไปในทางที่ผิดอันเป็นทุ้กขสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์จึงต้องประสบความทุกข์ เพราะฉะนั้นก็ให้กำหนดรู้ว่านี่ก็คือเครื่องมือของมานอันเป็นภูมุงร้ายและมานนั้นโดยตรงก็ในกิกเลสมารมันคือตัวกิเลสนี้เองซึ่งเป็นเครื่อง ทรงนันทิราคะกับอวิชชาเข้ามากํากับกจิตใจลอ่อจิตใจอันนี้ให้หลงติดอินทรีเพลิดเพลิ น, นดำเนินไปในทางแห่งความทุกข์ในเหตุแห่งทุกข์กระสบทุกข์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 ทรงจิตน้อมไปในกุศลโนบิตกคือความปรึกนึกคิดที่เป็นกุศลนั่นเองดังที่ได้กล่าวแล้วซึ่งในเบื้องต้นก็จะต้องคอยปราบจิตอุดหนุนจิตที่ให้ดำเนินบิตกคือความปรึกวิจารณ์คือความตรองไปใน สติปัฏฐานที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนกำหนดลมหายใจเขาออกทำความรู้ในอินญาบทยืนเดินนั่งนอนทําททำความรู้ในอินยาบทเปลีกยย่อยมีก้าวไปข้างหน้าถอยไปข้างหลังเป็นต้นให้คือเปลือกพิจารณคือตรอง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 จิตก็จิตมีอยู่ธรรมะกับธรรมะมีอยู่นัง่งสงบอยู่ในภายในด้วยความรู้อยู่ในภายในเมื่อเป็นดังนี้แล้วสมาธิก็จะเจเริญขึ้นเป็นทางแห่งปัญญาสืบต่อไปต่อจากนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจท่องคำ